เออท่านายอำเภอเปิลเอาดีวีดีดีวีดีมหาชนก mm. เปิในจดหมายเพิว่าเรียนพี่แดงท่านอภินันจันทรังสีจัดส่งดีวีดีการ์ตูนแอนมิเนชันมหาชนก มาให้พี่แดงเพื่อทราบครับยี่สิบเก้าเมย์ยอห้าแปดเนีทนายอำเภอมาให้หลวงพอ่อหลวงพ่อไว้แปดแผ่นนะอะ่แล้วก็ยี่สิบแผ่ให้ท่าแก่เอาให้ท่านนายอำเภอแผ่นหนึ่งนะผู้กํากับแผ่นหนึ่งอเอาให้ใครนะยี่สิบแผน่นหลวงพ่อไว้แปดแผน่นขอบครัวไรชดเท่านั้นแหละไม่ต้องให้ทั้งหม็ดดอก ผู้ใดมีมีดีวีดีดูนะไอ้พวกไม่ชีมันบบมีดอก DVD ดีวีดีนี่มันยังไงมิต่เอนะ็มพสานไปเปิดเ ง, งียดอนกัมิจจีลีขึ้เก่านะ่ะพอปันพาได้หวีนะ่ะนะแต่คูบาลุงพอยังโบแจกหลวงพ่อแจกไห้คูบากเาพ่อปันแจกหวีให้คู่บ า, า, น, บานไปก็บโบมีดีวีดีเบิง้งขึ้นเก่าดีวีดีคือรูปภาพ เป็นกาตูนมหาชนกที่ประบาทสมเดจสมเดจพระเจ้าอยู่หัวท่านสายเป็นสไลด์สายเป็นหนังให้พระสงฆ์ในกรได้ดูได้เป็นคติตัวอย่างนี่ท่านส่งมาให้ยี่สบแดแผ่นลุงพ่อเอาไว้แปดแผ่นไว้ในวัดนะแล้วก็ให้ศรัทธาญาติโยมผู้ที่มีเครื่องดูเอาไปเปิด สอนลูกสอนหลานเป็นคติธรรมคนเราที่จะเป็นคนดีได้มันก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาเรียนรู้เรื่องต่างๆมาเปรียบเทียบอันไหนควรไม่ควรอันไหนสูงอันไหนต่ำสิ่งรอบด้านรอบข้าง เราต้องอ่านเหตุการณ์อ่านเรื่องราวให้ออกถ้าว่าเราอ่านไม่ออก น, ะนั่นแหละทําอะไรลงไปคําว่าสูงก็ไม่รู้คําว่าต่ําก็ไม่รู้ความเหมาะสมไม่เหมาะสมไม่รูนะ้เดือดร้อนไปหมดที่นี่เพราะเหตุไรเพราะไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับเกียหติการ์เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆะนี่แหละ มหาชนกเนี่ยให้พวกเราได้เอาไปฟังศึกษาพระพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นมหาชนกท่านทำอย่างไรแนวความคิดของท่านในช่วงนั้นวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพห้า้อยห้าสิบแปดเมื่อวานหลวงพ่อให้พระ อ่านแนวความคิดให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่สรุปแล้วถ้าหากว่าพวกเราทุกๆ ท, ท่านอย่างวันนี้ละ่ะตรงพ่อก็ให้แนวความคิดว่ามรณงเมภวิสติถ้าพวกเราทุกท่านระลึกถึงความตายไม่อยู่เสมอจะทํำสิ่งไหนจะไม่ลืมตัวเพราะเหตุอะไร เพราะว่าอีกไม่กี่ปีอีกไม่วันข้างหน้าไม่รู้ว่าวันไหนชีวิตของเราพวกเรายืนยาวไปสักเท่าไหร่อันนีนคือคุณงามความดีอันไหนคือความดีคิดดีทำดีพูดดีให้ทำสิ่งนั้นถ้าคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนจากนั่นก็เดือดร้อนคนอื่น สรุปแล้วก็คือทำไมจึงเดือดร้อนเพราะกรรมกรรมคือการกระทําเมื่อเราทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีให้ผลตนเองนั่นแหละนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นคำวักกรรมกรรมคานี้นะ่ะมันออกมาจากใจใจคิดซะก่อนเรกว่าสัมมาทิฏฐิ ถ้าว่าใจคิดถูกแล้วว่าสัมมาทิฏฐิที่ว่ากายใจคิดถูกเนื่อเมื่อใจคิดถูกไปในทางที่ถูกไม่ทําให้ตนเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนอันนี้บอกสัมมาทิฏฐิในเมื่อปล่อยออกไปทางการกระทําการกระทําก็ทําไปในทางที่ถูกการกระทําเป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้าพูดออกไปพอคิดดีแล้วจึงค่อยพูดออกไปก็เป็นวาจาก็เป็นสัมมาทิฏฐิสรุปแล้วก็คือการกระทาทากรรมทำได้สามทางมนโนกรรมคือคิดกายกรรมคือการกระทำวาวจีกรรมคือการพูดเนื่องเมื่อคิดดีคิดมีเหตุมีผลคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขา คิดไม่พยาบาทปรองไล่เขาเห็นถูกต้องตามหลักธรรมคําสอนเห็นถูกต้องตามหลักธรรมวินัยเห็นถูกต้องตามกฎกติกา ก, กฎหมายบ้านเมืองอันนี้แหละเห็นตามทํานองคลองธรรมไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปรองไล่เขาเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนี่แหละอันนี้คือว่าคิดดี เนือเมื่อคิดดีแล้วเมื่อทําออกไปก็ดีเมื่อพูดออกไปก็ดีเพราะมันออกมาจากใจเพราะฉะนั้นทางว่าพวกเราทุกๆคนนะเอคิดเบื้องต้นก่อนว่าข้าพเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าจะไม่ยืนนานข้าพเจ้าจะทําแต่คุณงามความดีข้าพเจ้าจะทําแต่ความดีจากนั้นก่อนนี่ยมองดูไปเรื่อยๆ ไอ้สิ่งนี้ที่มันไม่ถูกต้องเบื้องสูงเบื้องต่ําสถานกลางเราอยู่ในสถานะไหนเดี๋ยวนี้เราอยู่ในสถานะไหนอย่างหลวงพ่อเนะี่ยอยู่ในสถานะที่ว่าพวกท่านทั้งหลายยกให้เป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อจะทําตนอย่างไรในขณะเจนิสสถานะที่ว่าพวกท่านทั้งหลายยกให้เป็นครูบาอาจารย์แต่สมัยก่อนหลวงพ่อเป็น ตัวเองเป็นสถานะเป็นพระเป็นพระลูกวัดหรือเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์หรือเป็นเนนหรือเป็นลูกของพ่อของแม่แต่และสถานะนั้นควรปฏิบัติตนอย่างไรให้รู้จักสถานะของตนเองในเมื่อเราอยู่ในสถานะไหนเราวางตัวให้ถูกต้องวางตัวให้เหมาะสมกับ ในสถานะนั้นนี่แหละจะไม่เดือดร้อนถ้าวางตัวผิดพลาดแล้วก็เดือดร้อนนะ เ, เดือดร้อนตนเองนั่นแหละเดือดร้อนก่อนต่อไปก็คนอื่นก็เดือดร้อนเพราะกรรมกรรมคือการกระทำเมื่อเราทำกรรมอะไรไว้ <c oughs> กรรมนั่นให้ผลเราดูดูใช อ, อดูสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกการใช้กรรม มันแลกแตกต่างกันจริงๆถ้าเราพวกพวกเราเห็นสารสารคดีของโลกแล้วเออพวกสัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนกันเรามองเห็นแล้วโอ้ไม่น่ามาเกิดในโลกนี้เลยเแล้วก็พร้อมกันอันนั้นเรามองไกลเกินไปเรามองอาหารของเราแต่ละวีแต่ละวันมีอะไรบ้างอาหารที่เราทานทุกวันนี่นะอันนี้ก็ ถ้าดูให้ดีแล้วก็ที่แหละมันไม่ใช่สิ่งที่จะมาอยากจะมาเกิดในโลกต่อไปเลยเเพราะนั้นพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจ่บอกมีช่องทางมีช่องทางที่จะไม่มาเกิดในโลกก็มีอยู่ต้องปฏิบัติตนตั้งต่อไปนี้อันนี้คือพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าออกจากเวี่ยงวังไปไปค้นคว้าไปศึกษา อยู่ในป่าทึงหปีค้นขวาหารเรื่องนี้แหล ะ, ะเรื่องที่จะทํำยังไงจริงจะมาจริงจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่ค้นไปค้นพบขึ้นมาครัต้องไม่เกิดนะต้องไม่เกิดถ้าเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแก่เจ็บตายจะทํำยังไงจึงจะไม่เกิดตัวไหนพาให้เกิด ท่านบอกว่าค้นไปแล้วก็คืออวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราอาวิชชาคือคือตัวโง่ตัวไม่ฉลาดตัวหลงตัวมืดบอดอวิชชาเป็นปัจจัยให้มีพให้เกิดภพชาติชลาบรณะเพราะนั้นแล้วจะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ค้นคว้าศึกษาหาแนวทางอีก ท่านก็ค้นขวาได้ตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญาตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นหนทางที่จะชําระเร่องว่าเผาเลยคือตปะธรรมตปะธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเผากิเลสภายในใจของของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ในเมื่อกิเลสหลุดออกจา ก, กจิตใจแล้วไม่มาเกิดไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะสงสารเป็นอนันตการแต่ที้หลวงพ่อมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าคําว่ากิเลสคํานี้น่ะหรือว่าใจของเราคํานี้น่ะที่มามาเวียนว่ายตายเกิดหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบว่าใจของเราเหมือนกับมเมล็ดข้าว ในเมื่อมีเมล็ดข้าวามันต้องมีตามมเมล็ดข้าวขึ้นมามีเปลือกเอพอมีเปลือกเรามาเก็บไว้แล้วก็ไปหว่านลงในที่นาที่มันที่ดินมันชื้นมันก็งอกเงยขึ้นมาและขยายพันธุ์ใจของเราคืลักษณะอย่างนั้นเพราะมันมีเชื้ออยู่ในใจคือกิเลสราคะโทสะโมหะแต่นี้ถ้าหากว่าใช้ตปะธรรมคือศินสมาธิปัญญา กันกลองไตรตรองด้วยเหตุและผลสกัดออกในเมื่อกิเลสใจของเราหมดเชือ้อคือกิเลสราคะโทสะมวัวรู้แจ้งเห็นจริงใจบริสุทธิ์จากนั้นใจของเราก็จะไม่มาเกิดแบบว่าหมดเชือ้อวิธีการทำทำอย่างไรระหว่านั่งสมาธิวิธีการทานั่งสมาธิ เมื่อจิตสงบแล้วก็เดินวิปัสสนานะถ้าจะเปรียบเทียบหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้เป็นทางด้านวัตถุให้มองเห็นเหมือนกับเขาทำน้ำมันมะพร้าวเขาทำน้ำมันมะพร้าวแบบโบราณเขาจะทำยังไงเขาทำน้ำมันมะพร้าวแบบโบราณเขาได้มะพร้าวมาแล้วก็ปอกเปลือกพอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ มาผ่าผ่าครึ่งนะพอผ่าครึ่งเสร็จแล้วเอากระต่ายขูดเป็นขุยขุยเมื่อกระต่ายขูดเป็นขุยขุยเสร็จแล้วเอามาขย้ำใส่น้ำเอามาขย้ำใส่น้ําปัน่นบีบตํา อ, อขุยมะพร้าวนะ่ะให้ละเอียดจากนั้นกับบี บ, บอเอาน้อที่มันอยู่ในมะพร้าวนะ่ะที่ขุยมะพร้าวนะ พอบีบแล้วก็มากรองเฮ้ยพอมากรองเสร็จแล้วเอาลงกระทะต้มเขี่ยวพอต้อมเขี่ยวขึ้นมาแล้วน้ำํำที่มันต้มอยู่นั้นเกิดแห้งไปจากนั้นน้ํามันมะพร้าวก็ออกมาจากออกมาจากกะทินั้นเป็นน้ํามันเป็นน้ํามันมะพร้าวลอยขึ้นมาในเมื่อ น, น้ํามันมะพร้าวลอยขึ้นมาแล้ว มันเป็นน้ำมันในเมื่อเป็นน้ำมันแล้วแต่เอาใส่ในกระป๋องเอใส่ในขวดหรือใส่ในกระมังเสร็จแล้วไปขยำกับขุยมะพร้าวน่ะมันเข้ากันไม่ได้มันเพราะอะไรมันออกมาจากขุยมะพร้าวน่ะที่เราขูดกระต่ายขูดออกมานะมันออกมาจากที่นั่นแต่ขยำเข้าไปทําไมมันไม่เข้ากันน้ํามันมะพร้าวกับตรงนั้น สุปแล้วก็คือมันเป็นคนละมิติกั น, เ ป, น, นเป็นคนละมิติเป็นคนเรื่องกันแต่มันออกมาจากจุดนั้นนี่ใจของเราก็ลักษณะนั้นล่ะใจของเราเนี่ยมันมีด้วยกิเลสเต็มด้วยกิเลสแต่เราใช้ตปรธรรมคือศีลสมาธิปัญญาการกรองไตรตรองความรู้สึกนึกคิดนั้นรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงในจุดนั้นเออมันจะเข้าไปหาตัวไม่รู้อีกไม่ได้ มันออกมาแล้วเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือแต่ก่อนเราไม่รู้ภาษาไทยเราไม่รู้ภาษาไทยแต่เมื่อเราเรียนรู้ภาษาไทยแล้วมันจะให้กลับไปหาที่เก่าไม่ได้เพราะมันรู้แล้วรู้แจ่งเห็นจริงแล้วเว้นเสียแต่คนนั้นเป็นเป็นอัลไซเมอร์แล้วเป็นอะไรไปอันนั้นก็สุดแท้แต่มันกลับที่หัวสมองแต่ความรู้จุดๆนั้น มันรู้แล้วก็คือรู้ไอ้ความไม่รู้ก็ตกก็ตกไปนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหะคือใจของเราหมดจดจากกิเลสแล้วนะ่ะอด้วยจะประธรรมคือศีลสมาธิปัญญากันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วสกัดออกแล้วนะ่งเหมือนกับเราสกัดกะทิมะพร้าวอย่างนั้นนะอความบริสุทธิ์ก็คือน้ำมันมะพร้าวใจของเราที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสขึ้นมานี่ยนะ ท่านว่นานิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญอย่างนิพพานศูนย์ศูนย์อะไรศูญเชื้อเชื้อที่จะทําให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหนะนั้นสูญไปแล้วจบไปแล้วมีแต่ความบริสุทธิ์นี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ไปค้นคว้าศึกษาเป็นหนทาง ถ้าว่าพวกเรายัางเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวที่ว่าเกิดมาในโลกเนะี่ยสัตว์ตัวไหนที่มีอํานาจเหนือกว่าแล้วก็ดังแกเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้เรามองไกลนะถ้าเรามองใกล้ก็อย่างอาหารของเราแต่ละวันเป็นยังไงล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อหนังมังสาทั้งนั้น ที่พวกเรากินและฐานเข้าไปสรุปแล้วก็คือนี่แหละสรรพัพสัตว์ทั้งในโลกการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าและท่านบอกว่าเราเกิดมาไม่ใช่เราจะเป็นมนุษย์อยู่ตลอดไปไม่ใช่ถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วพาให้ผลตกตกลกพอออกจากตกลกขึ้นมา น, ะนั่นแหละ มาเกิดเป็นสัตว์ที่ฉานนานับประการไม่โลกกี่กี่อย่างอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างนี้คิดว่าจะเป็นมนุษย์ดูดีมีสุขตลอดไม่ใช่ในเมื่อตัวเองทํากรรมชั่วทํากรรมที่ไม่ดีเขาจับได้เขาส่งเขาไปในคุกเขาไปในคุกไปในตารางเพอเพื่อบางประเทศเขาเอาไปยิงเป้าอีกต่างหากเอาไปฆ่าทิ้งอีกต่างหากเพราะอะไรเพราะ กรรมชั่วของตอนเองที่ทําลงไปทํากรรมที่ไม่ดีลงไปนี้แหละอันที่บอกสรุปแล้ก็คือกรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าการทํากรรมทําได้สามทางมนโนกรรมคือคิดดีกายกรรมคือทําดีวจีกรรมคือพูดดีฮเฮ้ยสรุปแล้วคือออกมาจากใจใจคือมนโนถ้าพวกเราได้รับทําคําสอนหรือว่าได้รับเนธะ แ, นะแนว การไกรการกลองไกลตรองด้วยเหตุและผลแล้วนะั่นใจของเราจะเป็นคนดีใจของเราจะดีะดีคิดไม่โลภอยากจะได้ของเขาคิดไม่พยาบาทปลองร้ายเขาเห็นถูกต้องตามทานองครองทำอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนสูงอันไหนต่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่เหมาะสมเราจะรู้เพรา อ, อะไรเพราะอะไร ใจของเราเป็นธรรมใจของเรามีเหตุมีผลใจของเรามองรอบทิศ ร, รอบด้านถูกทั้งคดีโลกถูกทั้งคดีธรรมคดีโลกก็คือกฎหมายคดีธรรมก็คือธรรมคือความถูกต้องคดีธรรมเนื้อกว่าเนื้อกว่าเนื้อกว่าคดีโลกคาว่าถูกต้องคานี้คันนัดไหน่าถูกต้อง เหตุผลคำนี้คือเหตุผลขนาดไหนจยว่าหลักเหตุผลครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหลักเหตุผลคำนี้นะ่ไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนคือตรงไปตรงมาถูกต้องอความถูกต้องจุดนั่นคืออะไรหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2อ2สองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบหก สิบหกบวกสิบหกเป็นสามสิบสองไล่ไปเรื่อยแต่บวกเท่าไรถูรกงดอันนี้แหละคือหลักเหตุผลอบวกเป็นร้อยเป็นปันเป็นหมื่นเป็นแสนบวกทั้งเวรทั้งวันนั้นคือตามเนี้ตามหลักเหตุผลนี่แหละหลักเหตุผลหนึ่งคือความถูกต้องอถ้าว่าผู้ใดก็าตามถ้าพูดคือมันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกห้าเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นสิบสอง โคดไปยังนั้นมันก็ผิดดันทอลังไปงั้นพูดไปสลมกันยังผิดมากไปเท่านั้นพคดทั้งวีทั้งวันก็ผิดทั้งวีทั้งวันเพราะอะไรเพราะไม่อยู่ในหลักเหตุผลเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่พูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพวกเราให้สังเกตดูตัวเองให้อยู่ในกรอบและอยู่ในหลักเหตุผลนะวันนี้หลวงพ่อเองให้แนวความคิดในแนวหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลาย สรุปแล้วก็ให้เป็นคิดดีทำดีพูดดีอยู่ในหลักเหตุผลอยู่ในศิตให้ทำมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าออกจากนอกหลักเหตุผลแล้วจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้นะกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทาลงไปแล้วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วทำลงไปแล้ ว, ว, ว, ว, ลลวกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง หลับพร